ปัจเนียสองแงขยาวาระสุทไนร้ยยี่สสองณเหตุปัจจัยมีสิบหวาระณอารมณปัจจัยมีสิบหวาระณอธิปติปัจจัยมีสิบหวาระณอันันตรปัจจัยมีสิบหวาระณสมนันตระปัจจัยมีสิบหกวาระณสหชาติปัจจัยมีสิบสองวาระณอัญญมัญญะปัจจัยมีสิบสองวาระ นานิสยปัจจัยมีสิบสองวาระนอุปนิสยปัจจัยมีสิบหวาระนบุเรชาตปัจจัยมีสิบสีวาระนปัจชาชาตปัจจัยมีสิบหวาระนอเสวนปัจจัยมีสิบหวาระนกรรมปัจจัยมีสิห้าวาระนวิปากปัจจัยมีสิบสีวาระนอาหาระปัจจัยมีสิหวาระนอินทริยปัจจัยมีสิหวาระ นาชานะปัจจัยมีสิบหวาระนมะขาปัจจัยมีสิบหกวาระนสัมปยุตตะปัจจัยมีสิบสองวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสิบวาระโนอัติปัจจัยมีสิบวาระโนนัติปัจจัยมีสิบหวาระโนวิคตะปัจจัยมีสิบหกวาระโนอวิคตะปัจจัยมีสิบวาระสภาข้าในนอารมณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสิบหกวาระ นอวิคตะปัจจใจละถึงมีสิบวาระพึงขยายให้พิจารณาเหมือนการ น, นับปั จ, จนียะในขุชลติกะปัจจนียะจบสปัจจญานุโลมปัจจญียะเตรทุสภาข้างในร้อยยี่สิบสามณารามณะปัจใจคเพรุปัจจัยมีเจ็ดวาระณอธิปติปัจจใจละถึงมีเจ็ดวาระณอนันตระปัจจัยมีเจดวาระ นสมัันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระนอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระนอุปนิสยปัจจัยมีเจดวาระนาปุเรชาตะปัจจัยมีเจดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีเจดวาระนอาศวนปัจจัยมีเจดวาระนกรรมปัจจัยมีเจดวาระนวิปากปัจจัยมีสวาระนอาหารปัจจัยมีเจดวาระ นาอินทริยปัจัยกับเพตุปัจัยมีเจดวาระนาชาณะปัจัยละถึงมีเจดวาระนามะขาปัจัยมีเจดวาระนาสัมปยุตตะปัจัยมีสามวาระนาวิปยุตตะปัจัยมีสามวาระโนนาธิปัจัยมีเจดวาระโนวิคตะปัจัยมีเจดวาระคาตนานาอารมณะปัจัยกับปัจจห้าคือเหตุชหชาตะนิจยะอติ และอวิคตะมีเจดวาระณอัญญามัญญะปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับมีสี่วาระณสำปรยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีเจดวาระพึงขยายให้พิจารณาเหมือนการนับอนุโลมปัจญิยะในกุศลติกะผู้รู้พึงสาธยายมะขะปัจจัยนี้ อนุโลมปัจจนญญะจบสปัจญญาปัจนญาอนุโลมนเหตุตทุกนายรอยยี่สิบสอารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีกลาวาระอธิปติปัจจใจละถึงมีสิบวาระอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสมนันตระปัจจัยมีเจดวาระสหชาติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบเอดวาระ อัญญามัญญปัจจัยละถึงมีเจดวาระนิสยปัจจัยมีสิบสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจัยมีสามวาระอาเสวณะปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอาหาระปัจจัยมีเจดวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระ ชานะปัจจัยม no ีเจดวาระมรรคปัจจ <macaron> ัยมีเจดวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีสิบสามวาระณิปัจจัยมีเจดวาระวิคตะปัจจัยมีเจดวาระอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระเตะกะในอธิปฏิปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนอารมณปัจจัยมีเจ็ดวาระ อาวิคตะปัจจัยกับละถึงมีสิบสามวาระพึงขยายให้พิจารณเหมือนกันนะับปั จ, จิญานุโลมในกุศลติกะปั จ, จิญานุโลมจบวิปากติกะจบ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 ขันอาศัยหาเทยวตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นกระตัตรารูปที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 และเป็นอารมณ์ของอุปาทานลและที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปหายใจขันทิฏฐิกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอารมณะปัจจัย 2. สภาวะธรรมทิฏกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ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 ได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งจิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นละถึงอาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตันหา igent, และทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานมีสามวาระ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 อาศัายขันหนึ่งที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานละถึงในปฏิสนธิขณะอาศัายมหาภูตรูปหนึ่งกระตัตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัายมหาภูตรูปเกิดขึ้นสำหรับเราอสัญญสัตตพรมอาศัายมหาภูตรูปหนึ่งกระตัตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัายมหาภูตรูปเกิดขึ้น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 และถึงเพราะอินทริยปัจจัยเพราะชานะปัจจัยเพราะมรรคปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัยเพราะวิปยุตตปัจจัยเพราะอธิปัจจัยเพราะนัติปัจจัยเพราะวิขตะปัจจัยเพราะอาาะาะวิคตะปัจจัย พ, พึงขยายให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาระแห่งกุศลติกะที่ท่านขยายให้พิสดารตามแนวทางแห่งการสาธยาย 1>, 1ปัจจญานุโลมสองสังคยาวาระสุทไนสิบสเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอรามะนปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระปนันตรปัจจัยมีสามวาระสมนันตะปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนิจญาปัจจัยมีเก้าวาระ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 อธิปัจจัยมีก้าวาระนัิปั จ, จัยมีสามวาระวิคตะปั จ, จัยมีสามวาระอวิคตะปั จ, จัยมีเก้าวาระเฮตุทุกขนในอะรมะนัป จ, จัยกับเฮตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยละถึงมีก้าวาระพึงนับเหมือนการนับปฏิจจในกุศลดิสกะที่นับไว้ตามแนวทางแห่งการสาธยายอนุโลมจบ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 ขันสองและทิตตสมุดฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นอาศัยมหาภูต ร, รูปหนึ่งที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานทิตตสมุดฐานนรูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูต ร, รูปเกิดขึ้นละถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานอาศัยมหาภูต ร, รูปหนึ่งที่มีอูตุเป็นสมุทฐาน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 อาศัยสภาวธ ร, รรมที่กลางอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะนอาอรมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะกระตั้ตารูปอาศัยขันธ์ที่กลามอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นหาทายวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นและถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสำหรับเราอาศัยสัตยปรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่ง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 และเป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวะธ e. รรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะณอนันตรปัจจัยเพราะณสมาันตระปัจจัยเพราะณอัญญามัญญปัจจัยเพราะณอุปานิสยปัจจัยเพราะณาปุเรชาตะปัจจัยเพราะณปัจฉาชาตะปัจจัยเพราะณอาเสวนะปัจจัยสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ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 ละถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานอาศัยมหาภูตารูปหนึ่งที่มีอุตุเป็นสมุทรฐานสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ